เมื่อวางก็ได้พูดถึงคนที่ป่วยเป็นโรค ก, กล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็อาการกระลุกระลำจงกระทั่งต้องนอนอย่างเดียวขยังขยับก็ลำบากแม้แต่การขย่งขยับมือหรือขา หรือไม่แต่นิ้วนะมันก็มีโรคที่ทำให้คนเราเนี่ยต้องอยู่ในสภาพแบบนี้มีหลายโรคนะสาเหตุก็แตกต่างกันไปอย่างบางอย่างก็เรียกว่าโรคล็อกอินซินโดรม ก็คือว่าระบบประสาาในร่างกายเรามันเสียหมดทำให้ซึ่งอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุก็ได้เช่นโดนอะไรอย่ามีเพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่งนั่งรถแท็กซี่แล้วก็มันก็มีรถมาชนข้างหลังแรงกระแทกก็ทำให้เส้นประสาท ตรงขาสันลังนี่มันขาดเลยหัวนี่ยังเหมือนคนปกติกับพิบตาพูดคุยได้แต่ตั้งแต่คอลงมาก็ยีงขยับอะไรไม่ได้เลยแล้วก็มีบางลายนะแม้แต่พูดยังพูดไม่ได้ พูดไม่ได้อันนี้ก็หนักยิ่งกว่าพวกที่คนที่เป็นโรคกระสรบกล้กามเนื้ออ่อนแรงปวดท้องปวดหนักปวดเบาก็ไม่สามารถจะบอกใครได้ความรู้สึกที่มีดีใจเสียใจเศร้า กลัวก็ไม่สามารถจะสื่อสารให้ใครได้บางรายก็ทำได้แค่กับพิบตาถามว่าได้ยินไม่ได้ยินเห็นไม่เห็นแต่พูดไม่ได้ความคิดยังเหมือนคนปกติเรียกว่าถูกขังอยู่ข้างใน บางที่ร่างการเรากลายเป็นคุกนะร่างการเรากลายเป็นคุกเบอเบาเบอเบาหรือเบากว่านั้นก็เอามาพึก อ, อามาพาดนะคือ ย, ยิงขยับไม่ได้แต่ก็อาจจะพูดได้กินได้ได้เขียนหนังสือได้บ้างนะอย่างอาจารย์กำพล น, นี่คือคุกที่จะว่าไปแล้วนี่มันมันหนักกว่าคุกที่ขังคนที่ทำผิดกฎหมายคุกนั้นมันทำด้วยอิดทำด้วยปูนแต่คนที่ในคุกนั้นก็ยังสามารถจะเดินเทอไปไหนได้บ้างในอาณาบริเวณ ที่เขากําหนดยังสามารถทำอะไรได้เหมือนคนปกติพเพียงแต่ว่าไม่สามารถออกจากพื้นที่ที่เขากําหนดได้ยังสามารถจะติดต่อพูดคุยกับคนที่รักสามารถสามารถจะร้องเพลงหรือว่า ทำอะไรที่ชอบได้ยิ่งถ้ามีรู้จักวางจิตวางใจให้เป็นนี่นก็เหมือนกับอยู่บ้านนั่นแหละบางทีตัวไปไหนมาไหนไม่ได้แต่ใจก็สุขสบายเคอขาพฤติกาเคยทำกิจกรรม ชักชวนคนที่ติดคุกเขียนเขียนนิยายบ้างเขียนบทความบ้างหรือไม่ก็ปั้นพระพระทะุทธรูปหลายคนก็ปั้นพระพุทธรูปได้สวยพระพรกก็อิ่มเอิบสงบ มันก็คงสะท้อนจิตใจของคนที่ปั้นว่ามีความสงบพอสมควรอย่างนันก็มีสมาธิบางทีก็าจะมีความสงบเด้วอความสุบยิ่งกว่าคนที่อยู่นอกโุกด้วยซ้าเพราะว่าทำใจได้เพราะว่าได้น้อมจิตมาจดจ่ออยู่กับ สิ่งที่งดงามสิ่งที่น่าครพศรัทธาอยู่ในคุกก็อาจจะมีความสุขสงบเย็นนะกว่าคนที่อยู่ข้างนอกก็ได้เพราะว่าคุกนี่มันแค่ขังได้แต่ตัวนะแต่ว่าใจคนเราก็สามารถจะเป็นอิสระ แต่ก็อย่างที่บอลนะคุกแบบนี้ก็ยังถือว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับคนที่เจออาการนะอย่างที่ว่ามาร่างกายมันกลายเป็นคุกซะเองอันนี้ถือแม่ไม่มีไม่มีไม่มีกำแพงขวางกั้นนะ แต่ว่าก็ทำอะไรไม่ไปไหนก็ไม่ค่อยได้ยกเว้นว่าจะมีคนอุ้มไปพาไปคนเหล่านี้นี่เรียกว่าลำบากยิ่งกว่านักโทษที่อยู่ในเรือนจำสิแต่ว่าคุกมันก็ร่างกายมันก็ค้งได้แต่มันก็จำกัดแค่ การเคลื่อนไหวของคนนะแต่มันไม่สามารถจะคุมขังจิตใจหลายคนแม้ว่าร่างกายจะเป็นคุกแต่จิตใจเขาก็ปกติได้จิตใจเขาก็ไม่ได้ทุกร้อนอะไรอย่างอาจารย์กำพลนี่เป็นตัวอย่างหรือว่าคนที่เขาเป็นโรคโรคอินซินโดมที่มีชื่อคนหนึ่งเนี่ย ก็สามารถจะเขียนหนังสือเบาๆอ่านสบายๆมีอารมณ์ขันได้เขียนโดยการกับสิบตาเขียนหนังสือที่มีแปลหนังสือที่กลายเป็นหนังสือเบสเซลเลอร์แปลเป็นไทยก็คนก็ชอบเอาเรื่องเขาไปทาเป็นหนังก็มีชื่อ ชุดประดาน้านแล้วก็ผีเสื้อชุดประดาน้ำ น, น, นี่ก็เหมือนกับร่างกายที่มันที่มันคือยึดขยับไม่ได้ชุดประดาน้ำเ น, นมันเป็นเหล็กเวลาจะดำลงไปในน้ำก็ต้องอาศัยชุดประดาน้ำที่หนักคนเข้าไปอยู่ในนั้นนี่ก็ ก็ื่ยื่ขยับแล้วไม่ค่อยได้แต่ว่ามันทำให้ได้เห็นสภาพใต้ทะเลเพราะเนี่ยคนเขียนเนี่ยเป็นชาวฝรั่งเศสเขาก็เปรียบตัวเองว่าเหมือนกับอยู่ในชุดประดาน้ำที่หนักเพื่อยิ่นขยับไม่ได้แต่ว่าความคิดสติปัญญาก็ยัง เหมือนเดิมมีสระเหมือนผีเสื้อเขียนก็ใช้วิธีกระพริบตาก็ให้คนที่ดูแลเขาไล่อักษรไปทีละตัวทีละตัว A B C D แต่ปกติเกาจะไล่ตามอักษรที่ใช้บ่อย ไม่ใช่ A B C D เรียงตามตัวอรอย่างที่เราคุ้นเคยถึงตัวไหนถ้าใช่ก็กระพริบตากว่าจะผสมอักษรเป็นคำหนึ่งได้เนี่ยคำหนึ่งมันก็มีอยู่สี่ห้าคำมั่งหกเจ็ดสี่ห้าตัวอักษรมั่งหกเจ็ดตัวอรมันก็ใช้เวลาเป็นเกือบนาที ก็สามารถจากกระพิบตาเขียนหนังสือเ น, นี่ยเป็นเล่มลคนที่อ่านสือเขาก็ไม่ไม่คาดคิด อ, อ๋อเนี่ยคือคนที่ป่วยถูกขังอยู่ในคุกที่ทำด้วยเนื้ออันนี้ก็มันก็แสดงว่าแม้ร่างกายมันจะเป็นคุกแต่ว่าใจมันก็เป็นอิสระได้อันนี้ก็เป็นคุก ประเภทหนึ่งนะทำด้วยเนื้อแต่คุกที่อาจจะดูน่ากลัวกว่าหรือแม้คนจะไม่ค่อยตระหนักคือคุกที่มันขังใจนะใ้อิดกาแพงนี่หรือเรือนจำมันก็ขังใจไม่ได้ขังได้แต่ร่างกายให้คุกที่ทำด้วยเนื้อมันก็ขังใจไม่ได้ แย่ก็ยังเป็นอิสระเหมือนผีเสื้อนแต่ที่มันแย่คือคุกที่มันขังใจนี่แหละอะไรคือคุกที่ขังใจคือความหลงเนี่ยความหลงที่มันมันขังใจความหลงที่มันก็อาจจะมาใ น, นรูปของอารมณ์ก็ได้นะอารมณ์ความโกรธความโมโหวความเศร้าเสียใจ นะความกลัวความวิตกไอ้พวกนี้มันขังใจเวลาหยุนตกเวลาอารมณ์พวกนี้มันเกิดขึ้นมันก็ขังจิตไม่ให้ไม่ให้เป็นสละคนเวลาโกรธมันก็คิดถึงแต่คนหรือการกระทาหรือเหตุการณ์ที่ทำให้โกรธนะเวลาเศร้ามันก็จมอยู่ในความเศร้า ไม่อยากจะทำอะไรอยากจะนั่งเจ้าจุกนะอารมณ์ต่างๆก็เหมือนกันนะตอนนี้ลมต้องความคิดด้วยนะความคิดที่ฟุ่งซ่านมันก็กลายเป็นคุกที่ขังใจนะคนบ้านเนี่ยนะหรือคน่คนเจริตเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะว่า อ, อารมณ์พวกนี้มันหรือความคิดมันขังใจกัองออกไม่ได้เลย โลกซึมเศร้าก็เหมือนกันนะมันก็มันก็สร้างอารมณ์เข้ามาขังใจให้ตกอยู่ในความซึมเศร้าตจนกระทั่งไม่เหมือนกับว่าใ จ, ใจิตใจไม่รู้จักไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันนะฮะคือไม่เห็นความสดชื่นไม่ไม่สามารถจะสัมผัสความสดชื่นเบิกบานได้ คนที่เป็นคนบ้าหรือคนเจลิ น, นี่ทำยังไงยังไงก็ออกจากคุกนี่ไม่ได้ยากมากหลายคนก็เลยฆ่าตัวตายเพราะมันทรมานมากจริงๆก็คิดว่าการฆ่าตัวตายคือการออกจากปัญหา ออกจากปัญหาเช่นล้มละลายอกหกักหรือว่าถูกดำเนินคดีจะถูกข้อหาคอร์รัปชันแต่จริงๆมันเป็นการหนีออกจากคุกที่เป็นขังใจมากกว่าต้องการนี้จาคุกคือต้องการหลุดออกจากอสภาพอารมณ์ที่มันทุกข์ทรมานเพราะเขารู้สึกว่า ไม่มีวิธีอื่นที่จะออกจากคุกนี้ได้แนะคนส่วนใหญ่ก็ยังโชคดีนะคือแม้ว่าอยู่ในคุกคุกอารมณ์นะแต่ว่ามันก็ยังออกมาได้เป็นพักๆนะโกรธเศร้ากลัววิตกเนี่ยมันก็อาจจะกินเวลาเป็นวัน คือเป็นชั่วโมงแต่สักพักก็ออกมาได้ที่ออกมาได้เพราะอะไรเพราะว่ามีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นพอรู้สึกตัวเมื่อไหร่คุกนี้ก็หายไปนะแต่ความรู้สึกตัวนี่ส่วนใหญ่ก็ประเดี๋ยวประดาพอความรู้สึกตัวหายคุกมันก็เข้ามานะคุมขังจิตใจ เรียกลมงว่าคุกนี่ว่าความลงนะลงในที่นี้คือไม่จะเริมไม่รู้ตัวก็ได้พอไม่รู้ตัวเมื่อไหรก่ก็เปิดช่องให้อาอารมณ์ต่างๆเนี่ยหลงต้องความคิดนี้เข้ามาครอบงำล้งคนไม่ค่อยได้ตระหนักเท่าไหร่ว่าไอ้ น, นี่คือคุกนะเพราะว่ามัน มันเป็นนามนธรรมนะมันไม่เหมือนเรือนจำนะที่ล้อมรอบด้วยกำแพงแม้กระทั่งความคิดความูสึว่าร่างกายเป็นคุกสนะาหรับคนเจ็บป่วยก็คนทัองกไปก็มองไม่เห็นจนกว่าจะเจ็บป่วยเมื่อไหร่เนี่ยเอามาพึกอาม า, าพาดปลายประสาทอ่อนแรงหรือว่าเป็นล็อกอินซินโดรมจะรู้สึกเลยร่างกายเป็นคุก คนธรรมดาก็ไม่ค่อยเห็นแต่ว่าถ้าพิจารณาดูก็ก็จะเห็นได้ไม่ยากว่ามันเป็นคุกแต่ว่าไอ้ความหลงเนี่ยคนไม่ค่อยมองว่ามันเป็นคุกเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นนมามธรรมอีกอย่างหนึ่งก็คนเราก็หลุดออกจากคุกนี้ได้เป็นพักๆ คิดว่าวุ่นฟุ้งซ่านก็นมีคนมาเรียกมาทักมีคนมาแตะหลายอา้าก็หลุดออกมาคนกลังจมอยู่ในความกโกรธโกรธโกรธจนกรตทั่งปีนะแต่ว่าพอมีโทรศัพท์ดังขึ้นมา พ่อโทมาแม่โทรมาลูกโทมาเอา้ามันก็หลุดได้เหมือนกันอาจจะมีอารมณ์กุ่นกลุนอยู่แต่พอคุยไปคุยไป้ก็เพลินบางทีเขาก็เอาข่าวดีมาบอกเราก็ดีใจพอดีใจปุ๊บมันก็หลุดจากไอ้ความโกรธความโมโหนั่นไป แต่ จ, จริงความดีใจก็เป็นคุกอีกแบบหนึ่กันนะเพียงแต่ว่ามันมันโทษมันไม่ชัดเจนแต่มันก็เป็นคุกนะคนจมอยู่ในความดีใจร่าเริงเบิกบานบางทีก็ลืมตัวสนุกสนานเฮฮาบางทีก็อาจจะหลุดปากพูดหยอกล้อเพื่อนแรงๆคนฟังมันไม่ได้ ไม่ได้ดีใจไปกับคาพูดเหล่านั้นกับโกรธนะเกิดความโมโหก็เกิดการกระทบกระทั่งกันทะเลาะเบาแวงกันบางทีก็ชกต่อยกันบางทีถึงตายก็ได้เนี่ยอันนี้ก็เพราะว่าความดีใจความความยิงโลดมันทำให้ลืมตัวนะพูดหยอบคนแรง อีกคนนงกือว่าถูกหมิน่นถูกมียามถูกเสียศักดิ์ศรีบงทีดีใจถูกลัตเตอรี่ขับรถเพลินฝันฟุ้งปรุงแต่งจะเอาเงินไปทำอะไรเพราะว่าไม่ันสังเกตก็ไปชนเด็กตายหรือว่า ไม่ทันสังเกตเห็นรถที่มันสวนเข้ามาจะชนกงนประสานงานเงินตายพิการนันนี้ก็พะความหลงนะ่นนต้องต้องต้องระมัดระวังต้องต้องใส่ใจหรือว่าตระหนักว่าไออารมณ์ความคิดพวกนี้ที่มันฝันพุ่งปุงแต่งพวกนี้มันก็เป็นคุกอย่างหนึ่งที่เราจะประมาทไม่ได้ ต้องบันสร้างความสึกตัวไว้ทำความสึกตัวเนะถ้าไม่อยอยู่ในคุกอารมณ์หรือว่าคุกของใจทําความสึกตัวเมื่อใดก็ตามมีความสึกตัวเนี่ยอารมณ์พวกนี้ก็เข้ามาครอบงำไม่ได้หรือว่าถ้าเกิดมันครองงาำแต่ว่าพยายามทำความสึกตัวให้เกิดขึ้นคนส่วนใหญ่รู้สึกตัวได้ก็มี ม, มีคนมาทักมีคนมาทักอก็ไอ้ที่โกรธก็ กำลังโกรธอยู่กําลังจะจะดาหรือกําลังจะทําร้ายก็เกิดได้คิดขึ้นมาได้สติขึ้นมาแต่ว่าแต่ว่างพึ่งตัวช่วยนะหรือคนมาคอยทักนี่นก็ไม่ได้ไมาทัก บ, บ่อยๆก็เกินงุนงิดลำคาข้นมาเหมือนกันนะเวลาคนที่กําลังเครียดเวลาคนที่กาําลัง หูหินเนี่ยแล้วมีคนมาทักว่านี่กําลังเครียดกำลังหุดหงนินแลบางทีโกรธนะโกรธคนทักฉันไม่โกรัฉันไม่เครียดนะขึ้นเสียงปฏิเสธว่าไม่โกรธไม่เครียดแต่ว่าน้ําเสียงมันบอกว่าก็ยังเครียดอยู่ยิ่งคนทักก็บอกยืนเะอาเธอโกรธเธอเครียดย่งก็ยิ่งไม่พอใจคนที่มาทักนะ ไ่ความโกรธความเครียดที่เคยมีกับใครบางคนก็ย้ายมาย้ายมาย้ายมาโกรธแต่คนทักแทนเมื่อคนที่อยากจะไปพวกนักเรียนอาชีวะนี่ที่มันตีกันเนี่ยชอบตีกันบนรถเมล์จะตีกันอยู่แล้วก็มีคนไปห้ามว่าอยา่อยาไปทำ ไอคนที่ห้ามมีบางทีโดนโดนตีแทนนะเพราะว่าเรื่องเรียชวาที่ถูกห้ามีพอถูกทักถูกถูกขวางนี่ไอ้ความโกรธมันก็ย้ายย้ายจากคู่อลิมายัางคนที่เป็นพลงเมืองดีแทนแทนที่จะเอามีด เอาปนอืนยิงคู่อะไรก็รมา เ, าเอามีดมาตีามาแทงหรือเอาปืนมายิงคนที่ถ้าคนที่ขวางแทนแความโกรธนี่มันก็ย้ายย้ายย้ายเป้าได้เหมือนกันมันพยายามความโกรวนี่มันหรืออารมณ์ทุกอย่างนี่มันก็ <c oughs> นอกจากมัน มันจะมีอำนาจบงการจิตใจเราได้เหมือนกับผู้คุมนะผู้คุมคุกนี่มันก็มีอำนาจเหนือคนในเรือนจำนะสั่งได้ความกดนี่นอ้อยมันมันสามารถจะบังคับบงการเราได้แล้วนี่มันก็ยังไม่ชอบนะไม่ชอบอะไรที่จะมาขัดขวางมัน มันสามารถจะสั่งให้เราไปจัดการกับคนที่าพยายามจะขัดขวางอารมณ์หรือว่าพยายามที่จะลดทอนอารมณ์นั้นใครมาขวางใครมาใครมาแนะนำว่าให้อภัยเขาก็โกรธนะคนนั้นเปลี่ยนเป้านะ เป็นเป้ามาเล่นงานไอ้คนที่มาทักคนที่มาขวางหรือคนที่มาแนะนำให้ให้อภัยไปล่วยคนนั้นแทนอันนี้เพราะความหลงต้องพยายามนะต้องเห็นโทษของความหลงว่ามันคือคุกชนิดหนึ่งนะซึ่งอย่าไปปล่อยใจให้มันจมอยู่ใน หรอเดินเข้าคุกชนิดนี้หลายคนก็เดินเข้าคุกอย่างนี้เองนะไอ้คุกที่มันล้อมด้วยกำแพงนี่ต้องไม่มีใครอยากเข้านะแต่ว่าต้องถูกบังคับให้เข้าไอ้คุกที่ทำด้วยเลือร่างกานี่ไม่มีใครอยากจะเจอเท่าไหร่ แต่คุกที่มันขังใจหลายคนมันเข้าเองนะเดินเข้าหาเองก็คือหาเรื่องคิดเนี่ยคิดฟุง้งปรุงแต่งหรือว่าบางทีก็หาเหตุผลมาลองรับว่าทําไมเราควรจะโกรธทําไมเราควรจะเศร้าในการหาเหตุผลมาลองรับคือการนะการพาตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่คุกนั่น ด้วยความเต็มใจคนเวลาโกรธเวลาเศร้ามันก็พยายามหามันก็มีเหตุผลสารพัดนะว่าทำไมฉันควรโกรธฉันควรแค้นฉันควรเศร้าแล้วคนที่เสียพ่อเสียแม่บางคนนี่ก็ต้องต้องพยายามพยายามร้องไห้หรือพยายามทำตัวให้เศร้าเพราะรู้สึกว่าถ้าไม่ ถ, ไมถ้าไม้ทำงานเศร้าไม่รักเขา ถ้ารักในหลวงก็ต้องร้องไห้ถ้าไม่ถ้าไม่ร้องไห้แสดงว่าไม่รักนี่อันนี้ก็เหมือนกันนะเวลาพ่อแม่ตายก็ต้องพยายามทำตัวให้เศร้าไว้ทั้งที่บางทีมันไม่รู้สึกแต่ต้องรู้สึกว่าเราต้องเศร้าอันนี้คือการเดินเข้าหาคุกแห่งความเดินเข้าหาคุกที่ชื่อว่าความเศร้านะเดินเข้าเองนะไม่ใช่ ถูกใครลาเข้าไปที่จริงก็เป็นความหลงชนิดอื่เหมือนกันนะเพราะหลงถึงพางเดินเข้าไปถ้าไม่หลงมันไม่เดินเข้าไปหรอกเข้าไปในคุกชนิดนั้นหรอกแต่ความหลงนี่มันก็แพ้นะแพ้ความรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็หายฉนั้นทความรู้สึกตัวไว้นะเวลาทําอะไรในยามที่ชีวิตมันเป็นปกติเช่น แต่ตื่นนอนตื่นเช้าขึ้นมาเก็บที่นอนล้นางหน้าแปรงฟันถ่ายหนักถ่ายเบาก็ให้มีความสึกตัวไว้อย่าปล่อยใจลอยอะไรที่ยังไม่ถึงก็อย่าพิ่งไปคิดมันถ้าจะคิดก็ให้คิดเป็นเรื่องเป็นราวเช่นนั่งคิดซะเลยนะว่าจะวันนี้จะทำอะไร จะไปไหนจะปรุงอาหารจะปรุงอะไรก็ให้มันคิดเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่ถูฟันไปก็คิดไปอย่างนี้มันก็บางทีมันก็ทําให้ลืมตัวไม่รู้ว่าทําอะไรอยู่นะความรู้ตัวอย่างแรกก็คือมันรู้รว่าทําอะไรอยู่แล้วก็เป็นความรู้ชัดนะ เราจะฝึกความรู้สึกตัวให้เกิดมีขึ้นก็มันก็มีหลังง่ายว่าทำทีลรอย่างนะเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีลรอย่างนะเวลาถูฟันก็ใจก็อยู่กับการถูฟันเอาใจใส่ลงไปในงานที่ทำใส่ลงไปด้วยใจเต็มร้อยนะใจเต็มร้อยเลยไม่ต้องเกิดร้อยเอาแค่เต็มร้อยก็พอ แต่ส่วนยังไม่เต็มร้อยครึ่งกลางๆห้าสิบห้าสิบทำสองอย่างในเวลาเดียวกันเรียกว่าสองใจก็ได้คนเดี๋ยวนี้เป็นคนสองใจเวลากินข้าวก็ใจหนึ่งก็อยู่การกินข้าวอีกใจหนึ่งก็คิดงานคิดการ ใอ้ใจที่มันอยู่การกินข้ามก็แบบนิดนิดนิดนิดหน่อยหน่นนอยนะบางทีหนึ่งในสามหรือยี่สิเปอร์เซนสมสิบเปอร์เซ็นอีกเจ็ดสิบปอร์เซนตมันไปคิดโน่นคิดนี่นี่เรียกว่าสองใจบางทีสามใจด้วยทำหลายอย่างพร้อมกันเลยไอวิ์ทำแบบนี้แหละที่เป็นการเชิญชวนให้ให้คุกของใจนี้เข้ามาครอบงำมาขังจิต คนเราชอบเชื่อเชิญนะให้คุกนะมันมาขังเราหรือว่าพาตัวเองเข้าคนะุกเราเมื่อวิก่ครั้งกี่ครั้ ง, งแต่ถ้าเราพยายามทำอะไรด้วยความสึกตัวแม้มันจะมีแรงมันนิสยินนึสายความเคยชินเดิมๆมันจะจะทำโน่นทำนี่ไปพ ร, พร้อมๆกนมันตามมาตามธรรมชาติคนสองใจสามใจเนะี่ย แต่ว่าถ้าเราพยายามฝึกอยู่เสมอพยายามมีวินยัยพยายามเตือนตนนิสัยใหม่ที่ก่อตัวขึ้นมาทีละนิดทีละนิ ด, นดมันจะตั้งมั่นต่อไปมันจะมันจะรู้มากกหลงนะวันวันหนึ่งจะรู้มากกหลงหลงไปก็หลงไม่นานก็ออกมากลับมารู้ตัวแ้วมันดูใจของเราด้วยนะมันสังเกตใจของเรา นอกจากทำอะไรทำทาทระยาแล้วก็หมั่นสังเกตใจใจมันพิดตอนนี้เป็นยังไงใหม่ๆก็ไม่ค่อยได้สังเกตรหรอกวันวันหนึ่งก็นึกได้ไม่กี่ครั้งแต่ว่าพอทาไปพอเริ่มทาทาไปทำไ ป, ำไปมันก็จะเริ่มสังเกตได้ได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นสังเกตรอารมณ์ของตัวเห็นอารมณ์ของตัวตอนนี้อารมณ์กอเราเป็นยังไง ต่อไปนี่ไม่ต้องไม่ต้องตั้งใจสังเกตนะมันรู้เองเพราะใจกระเพื่อมเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงมุนหมึดนี่มันรู้เองเพราะว่าทุกครั้งที่เราสังเกตดูใจเนี่ยมันจะเป็นการเสริมสร้างสติขึ้นมาเป็นการสร้างสติสร้างนิสัยความระลึกได้ขึ้นมาแต่ว่าเราจงใจที่จะมาสังเกตดูอารมณ์ของตัวทําไปทาไปนี่ สติมันมันทำงานเองเลยมันรู้เองมันทำงานทันทีอารมณ์เกิดขึ้นก็รู้ <c oughs> ก็เหมือนกับละครเราตอนเด็กๆเรา ก, ก็ท่องสุดคูณ น, นะสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดต้องท่องนะมันมันไม่ได้ออกมาเองท่องหมดไม่รู้กี่เที่ยวไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเที่ยว แต่พอเราจำได้นี่ในฝันนี่แม้กระทังในฝันมีคนมาซื้อของที่ร้านเราสมมติเราฝันว่าเป็นเจ้าของร้านขายของซื้อของสามอย่างสามชิ้นชิ้นเลยยี่สิบให้เงินมาร้อยหนึ่งในฝันเราทอนได้เลยสี่สิบ มันไม่ต้องมันมันไปเองนะมันรู้เองเลยมันไม่ต้องเจตนามไม่ต้องจงใจต้องไม่ได้จงต้องไม่ต้องจงใจคํานวณให้ความระลึกได้ก็เหมนการนะรู้ทันอารมณ์เนี่ยใหม่ๆเราก็ต้องสังเกตดูมันสังเกตดูใจแต่พอทำไปไปมันรู้ทันเองพอรู้ทันปุ๊บนี่ มันก็หลุดจากอารมณ์นั้นกลับมารู้กลับมารู้สึกตัวได้กลับมารู้เนื้อรู้ตัวอารมณ์มาครอบงำความคิดมาครอบงำจิตหรือว่าจิตมันหลงเข้าไปในในความคิดในอารมณ์มนก็หลุดออกมาได้พอ ร, รู้ทันรู้ว่าเผลอไปรู้ตัวทีแรกก็รู้ทันนะตอนหลังก็รู้ทางด้วย รู้ทันนี่คือว่าเกิดขึ้นแล้วก็รู้ทันนะตอนหลังรู้ทางมันจะมามันจะมาล่อหลอกไีก็รู้ทางไวแล้วเหมือนเล่นบอล น, นะรุ่นบอล น, นี่รู้ทางมีก็สามารถจะเป็นดักอะไรก่อนไดนน้รู้ทางคู่ต่อสู้มันก็ทำให้เข้าขยับนิดหน่อยเราก็รู้แล้วก็สามารถจะ ลบตะลีหรือป้องกันได้อันนี้แหละคือวิธีที่จะสู่อิสระจากออกจากคุกแข่งอารมณ์คุกของใจนะต้องเห็นโทษนะของทุกของคุกชนิดนี้ถึงแม้ว่าเราไม่ได้อยู่ในเรือนจำหรือว่าร่างไม่ได้อยู่ในร่างกายเราไม่ได้เป็นคุกขังตัวเรานะแต่ว่า ไอ้คุกชนนี้มันบางทีน่ากลัวกว่าเพราะมันทอาอะไรทำให้คนนี่ทำชั่วได้ไอ้คุกของคู่คที่ทำด้วยอิดด้วยปูนี่มันมันขัดขวางไม่ให้เราทำชั่วหรือทำได้ยากยิ่งคุกที่ทำด้วยเนื้อยิ่งทำชั่วได้ยากได้แต่คิดเอาแต่ทำเองไม่ได้บางทีพูดยังไม่ได้พูดช่วยยังไม่ได้เลย ควบใจนี่มันทำให้เราทำชั่วได้ง่ายมากทำร้ายคนอื่อนก็ได้ทำร้ายตัวเองก็ยิ่งก็ได้เหมือนกันทำร้ายตัวเองด้วยการฆ่าตัวตายหรือว่าที่จริงการไปทำชั่วนี่ก็คือการทำร้ายตัวเองแบบหนึ่งเพราะว่าสุดท้ายก็ต้องรับผลแห่งการกระทำเช่นไปตีหัวเขาเขาก็โกดแค้นมาทำร้ายเรา ต่ขโมยของด้วยความโลภ ก, นะก็ติดคุกหรือว่าไปลหลงใหลในสิ่งยั่วยยั่วยยวนะเล่าอบายมุกหรือว่าการพันนันก็เสร็จนะยิ่งจมเข้าไปหนักขึ้นถ้ามันนะมันออกจากคุกชนิดนี้นะด้วยความรู้สึกตัวด้วยสติอยู่เสมอเสมอ แล้วก็สร้างขึ้นมาด้วยให้ให้ทํางานได้ชาบบายแข็งแรงวอดรวดเร็วอ่านช้อนที่เพื่อนโทรนี่นะก็